ตอนที่หกสิบเจ็ดที่ใหญ่ผู้น่าสงสารโจวไวตรงปลดประจำการแล้วเลือกพนักอยู่ที่บ้านภรรยากลายเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงเขาไม่ปรารถนาจะกลับบ้านและไม่กล้ากลับบ้านเช่นกันโจวไวหมินซูม่านอินและเกาฉางเหอได้พบหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายน้องสามวันหน้าเจ้าไม่ต้องกลับมาที่ไห่เฉออีกวางใจเถิดนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเรามาพบเจ้าที่นี่ โจ้ยตรงนิ่งเงียบส่วนตู๋กูรุกวีที่อยู่ด้านข้างกลับมีสีหน้าบึ้งตึงนางกระแทบประตูใส่หน้าพวกเขาทันทีพี่รองอย่าเรียกข้าว่าพี่รองเลยน้องสามของข้าได้สละชีพไปแล้วหลังจากกล่าวประโยคนี้โจ้ยหมิ่นก็ขอบตาแดงก่ำเขาหันหลังเดินจากไปทันทีเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านเกาเติงและฉินเสี่ยวเยเวต่างก็พากันแจกจ่ายลูกอมองคลไม่ใช่กระมังนะ้สะายท่านกับผู้อํานวยการก็ตกลงปลงใจกันแล้วหรือ หรือปนึกว่าเป็นลูกอมองคลของซูมานอินซูมานอินสายหน้าไม่ใช่ของข้าเป็นลูกอมองคลของเสี่ยวเยเว่กับผู้พันเกา่าแม่เล็กท่านเองก็ควรจะหาเนื้อกินบ้างนะชิ้นเสี่ยวเยเว่ดึงมือซูมานอินไว้ก่อนจะกระซิบเย้ยแย่ด้วยคําพูดทะลึ่งตึงตังอย่างขัดเขินท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งบำรุงที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงหน้าก็คือผู้ชายยังไงละ่ะซูมานอินได้ยินเช่นนั้นใบหน้าก็พันร้อนเผาแดงระเรื่อไปจนถึงลําคอ ที่สถานีตำรวจมีข่าวล่าสุดแจ้งมาว่าพบตัวหลี่ฮาแล้วที่แท้หลังจากหลี่ฮาตกทะเลไปเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากหญิงประมงคนหนึ่งนางพยุงเขาขึ้นฝั่งเนื่องจากบาดเจ็บสาหัสเขาจึงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของนางหลายวันข้าได้ยินว่าพวกท่านกำลังตหาคนเลยนึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นเขาหญิงประมงผู้นั้นจิดน้ำร้อนพางมองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังเรื่องราวข้าก็เล่าชัดเจนแล้วใช่นนั้นข้าไปได้หรือยัง เชลเลรู้สึกแปลกใจเหตุใดหญิงประมงคนนี้ถึงได้ดูรีบร้อนนักสหายท่านยังต้องลงชื่อตรงนี้อีกสักหน่อยหวังเหรียนซานส่งบันทึกคำให้การไปตรงหน้าลงชื่อเสร็จแล้วก็ไปได้หญิงประมงวางแก้วน้ำลงระปาะกกรมาลงชื่อในกระดาษอย่างรวดเร็วโจวเวยหงหวังเหรียญซานอ่านชื่อออกมาพี่สาวท่านรู้จักโจวเวยหมินหรือไม่โจวเวยหงชะงักเป็นใจกำลังลังเลทว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกจากหน้าประตูพี่ใหญ่ โจ้ยหงหันกลับไปเห็นน้องชายที่ไม่ได้พบหน้ากันมาหลายปีนางรีบก้มหน้าลงด้วยความหล่นลานเจ้าจำคนผิดแล้วเว้ยหมิน่นที่ใหญ่โจ้ยหมิ่นรีบโผเข้าไปหาเมื่อเห็นที่สาวซูบเซียรวยราถึงเพียงนี้น้ำตาแห่งความสงสารก็ร่วงหล่นลงมาไม่ขาดสายที่ใหญ่ท่านเป็นอะไรไปเหตุใ ด, ดถึงกลายเป็นเช่นนี้โจ้ยหงซื่อให้น้องรองที่ทำผิดต่อท่านพ่อเหลือเกิน พี่ใหญ่ท่านพ่อจากไปแล้วท่านรู้หรือไม่เมื่อได้ยินว่าบีดาเสียชีวิตโจ้ยหงก็ชะงักนั่นไปครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยโฮออกมาอย่างหนักพ่อลูก อ, อกตัญยูลูก อ, อกตัญยูเหลือเกินที่แท้หลังจากครั้งนั้นที่นางพาสามีกลับมาเยี่ยมบ้านได้ไม่นานเมื่อกลับไปสามีของนางก็ล้มป่วยเสียชีวิตทว่าการตายนั้นกลับน่าอัปยศยิ่งนักเขาตายในห้องเช่าแห่งหนึ่งตายข่าออของผู้หญิงคนอื่น หลังจากนั้นนางก็ใช้ชีวิตเพียงลำพังเป็นหญิงประมงออกทะเลเลี้ยงชีพนางไม่มีหน้าจะกลับบ้านไปพบบิดายามนั้นบิดาบอกว่าสามีของนางเพึ่งพาไม่ได้แต่นางกลับไม่เชื่อผลสุดท้ายชีวิตจึงต้องตกกรำลำบากเช่นนี้พี่แล้วลูกของท่านเล่าโจวเวยหมิงจำได้ว่าตอนที่พี่สาวมาเยี่ยมบ้านครั้งนั้นนางกำลังตั้งครรภ์อยู่ไม่มีแล้วลูกคลอดออกมาก็ตายทันทีโจวเวยหงกล่าวปลน้ำตา ร่างกายพี่บอบช้ำจนไม่สามารถมีลูกได้อีกเพราะเหตุนี้พี่เขยของเจ้าถึงได้เริ่มปันใจไปให้หญิงอื่นซูมานอินยืนอยู่ด้านข้างฟังโจเวยหงเล่าเรื่องราวในอดีตในใจก็นึกเวทนาเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ซื้อสัตว์เกินไปซื้อสัตว์เสียจนน่าปวดใจโจเวยหมินพาโจเวยหงไปกราบไหว้บิดาส่วนซูมานอินเกาฉังเหอและสูมานเฉิงติดตามผู้อานวยการเฉียวเลยไปพบหลีห่ฮา ยามนี้หลีห่ฮัวดูซุ่ศโสมใบหน้าซีดเซียวเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องสอบสวนเมื่อเห็นซูมานอินปรากฏตัวเขาก็ไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกนักเพียงแต่สายตาดูหลบเลี่ยงเล็กน้อยซูมานอินข้าขอโทษเป็นข้าที่ทําร้ายเจ้าและครอบครัวของเจ้าซูมานอินเดินเข้าไปใกล้หลีห่ฮัวด้วยท่าทีสงบนิ่งหากเจ้าคิดว่าทําผิดจริงก็จงพูดความจริงออกมาเถิดหลี่ฮา ย, ยังคงลังเลซูมานเฉิงจึงก้าวออกมาข้างหน้า วางใจเถิดหยวนหยวนข้าจะเป็นคนดูแลเองนางจะไม่เป็นอะไรแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่หาก็รอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดทั้งหมดเป็นฝีมือของซูเหมี่ยวหลิงนางเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเจ้าและนางยังบีบบังคับให้ฆ่าผลักเจ้าตกทะเลด้วยถ้าว่ามีหลักฐานหรือไม่ซูม่านอิงกังวลเรื่องนี้เพราะหากมีเพียงคํากล่าวอ้างฝ่ายเดียวซูเหมียวหลิงย่อมสามารถปัดความรับผิดชอบและหาว่าเขาใส่ร้ายได้มี เงินที่นางเคยให้ค่าค่าเก็บรักษาไว้อย่างดีบนนั้นมีรอยนิ้วมือของนางซูมานอินหันไปมองเกาฉังเหอแต่เกาชาังเหอกลับสายหน้ารอยนิ้วมือบนธนบัตรนั้นสกัดออกมาได้ยากยิ่งยังมีหลักฐานลายลักษณอักษรใช่หลักฐานหลี่ฮัาร้องบอกก่อนหน้านี้นางมาซื้อน้ำมันตรงข้ากลัวว่านางจะไม่จ่ายเงินเลยให้นางเขียนหลักฐานลายลักษณอักษรไว้ใบหนึ่งหลักฐานฉบับนั้นอยู่ที่ไหนเกาชังเหอซักไซหลี่ฮาตอบกลับ อยู่ในตุ๊กตาหมีของหยุนหยวนซูม่านเฉิงสะดุ้งโหยงเขาหยิบตุกตาหมีตัวเล็กออกมาจากกระเป๋าสะพายทันทีนั่นคือของขวัญที่หยวนหยวนมอบให้เขาด้วยมือตัวเองในวันที่พบกันครั้งแรกที่เจ้าพูดถึงคือตัวนี้ใช่หรือไม่เมื่อหลี่ฮาเห็นตุ๊กตาหมีดวงตาก็พันแดงกลับอีกครั้งทว่าในนั้นกลับมีความยินดีแฝงอยู่ตุกตาหมีตัวนี้เป็นของรักของห่วงของหยุนหยวนดูเท่าว่านางจะเชื่อใจท่านมากมิเช่นนั้นนางไม่มีทางมอบมันให้ท่านเด็ดขาด สู้มั่นเฉิงนึกไม่ถึงว่าเด็กหญิงตัวน้อยจะส่งหลักฐานมาถึงมือเขาตั้งนานแล้วเก้าช้างเหอและเฉียวเหล่รีบดึงเศษกระดาษออกมาจากตัวตุ๊กตาหมีบนนั้นมีลายเซ็นของสู้เหมียวหลิงจริงๆซึ่งลงชื่อไว้ว่าหลิวเหมียวหลิงเฉียวเหล่รีบรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีพร้อมทั้งขอประสานงานกับตำรวจเมืองตงไห่เพื่อเริ่มปฏิบัติการจับกุมโดยเร็วที่สุดสหายตำรวจมีสู้ให้พวกเรากลับบ้านไปคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่ก่อนเถิด ซูมานเฉิ ง, ก, งกังวลว่าเรื่องที่กระทบกระเทือนใจเช่นนี้จะทําให้ซูเจิ้นผู้เป็นบิดาล้มป่วยลงอีกครั้งซูม่านอินเข้าใจเขาดีจึงแสดงความประสงค์จะกลับไปด้วยกันข้าเองก็นึกถึงพวกท่านเช่นกันจากความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมซูมานอินสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ตระกูลซูและความจริงใจที่พ่อแม่ตระกูลซูมีให้ต่อลูกสาวกมลอคนนี้เก้าช้างเหอตตัดสินใจว่าจะตามไปด้วยข้าจะไปปกป้องเจ้าเอง เกาช้างเฮินนั่งอยู่บนเก้าอี้ในร้านอาหารแล้วพรงคำสารภาพออกมาตรงๆเกาเติ่งที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับอึ้งไปเลยที่ใหญ่ท่านแม่บอกว่าท่านกําลังรำแพนหางเหมือนนกยูมที่แท้ก็เรื่องจริงสินะและท่านยังลังเลอะไรอีกรีพาพี่สะพายไปจดทะเบียนสมรสเสียสิเจ้าจะไปรู้อะไรพี่ใหญ่ใะเขากาลังหาโอกาสไปพบญาติฝ่ายหญิงต่างหากชินเสียวเยเวย๋ใหญ่อยู่ข้างๆ ที่ใหญ่แม่เล็กของข้าเป็นถึงคุณหนูตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองตงไห่ท่านต้องเตรียมของขวัญที่ดูดีมีระดับไปหน่อยนะเจ้ากะเรื่องงานแต่งของข้ากับโจเตชางก็อธิบายชัดเจนแล้วเหตุใดเจ้ายังเรียกข้าว่าแม่เล็กอยู่อีกซูมานอิงกล่าวอย่างไม่พอใจตอนอยู่ในกองทัพนั่นมันเป็นการยืมชื่ออ้างอํานาจแต่ที่นี่วันหน้าห้ามเรียกเช่นนี้อีกเดี๋ยวจะเรียกจนข้าดูแก่ไปเสียก่อนสิ้นเสียงคําพูดตาฮวาและเสี่ยวสวีก็ถือลูกแพรแฉะแข็งที่ละลายดีแล้วเดินเข้ามา ท่านย่ากินลูกแพรช่แข็งเจ้าค่ะชิ้นเสี้ยวเยกล้านหัวร้อจนตัวสัน่นท่านดูสิตาฮวากับเสี่ยวสวี่ย่างนับท่านเป็นย่าอยู่เลยท่านยังกล้าปฏิเสธอีกหรือซูมานอินหยิบลูกแพรช่แข็งลูกหนึ่งแล้วยัดใส่ปากชิ้นเสี่ยวเยเวทันทีเจ้านี่แหละที่พูดมากที่สุด